เรื่องท่านพระอุบาลีตอบคำถามเกี่ยวกับพระวินัยครั้นท่านพระอนุนเป็นพระอรหรันได้ไปสู่ที่ประชุม ลำดับนั้นท่านพระมหากัรสปัประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่าท่านทั้งหลายขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าจะสอบถามพระวินัยกับท่านพระอุบาลีท่านพระอุบาลีจึงประกาศให้สงทราบด้วยยติกรรมวาจาว่า ท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าถ้าสงฆ์พร้อมแล้วข้าพเจ้าอันท่านพระมหากัสปะถามพระวินัยจะได้ตอบต่อไป